ท่นฟี่ครบค่ะท่านกำลังฟังสถานีวิทยุเอฟเอรอยครอบครัวข่าวและวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรายการสัมมนาสนทนาสัมมนานาคพงศ์ดำเนินรายการค่ะก็ใกล้จะออกพรรษาเต็มทีแล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันเชื่อว่าพวกเราจะมีโอกาสในการที่ทอดกรถิ่นกันร่วมกับใครคนนั้นคนนี้เยอะไปหมดเลยก็สุดแต่ท่านจะศรัทธาทีนี้รายการของเราเนี่ยก็มีพระสงฆ์มาจากสองวัดนะคะคือวัดนาปะพงกับวัด ป่าดอนหายโศกแต่ฉันก็เชื่อว่าคงจะมีหลายท่านเหมือนกันที่มีความรู้สึกศรัทธาอยากที่จะทอดกระถิ่นร่วมกับวัดของพระคุณเจ้าที่ให้ธรรมะเราอยู่เป็นประจำในรายการนี้นะคะก็บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นวัดของท่านมาร ค, คือวัดนา ป, ป่าพงเป็นวัดที่ท่านคึกฤทิ์ซึ่งมอบหนังสือให้กับพวกเราผ่านทางรายการนี้เป็นเจ้าวาดเนนะคะก็จะทอดในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ส่วนวัดของพระอาจารย์อีกรูปหนึ่ง ที่กำลังจะมาพบกับพวกเราคือพระพบูลอภิปุโนโ น, นั้นเดี๋ยวไปกล่าวเรียนฐานท่านเลยนะคะนวส ก, กาลนะท่านคะเาจญรย์บาลค่ะวันที่ยี่สิบสามตุลาคมย <c oughs> <c oughs> ี่สิบสามตุลาคมว <c oughs> ันป่าละไลโสกถินค่ะ <c oughs> ที่อุดอรธานีอุดรธานีไม่ไกลจากก็คืออยู่ในประเทศไทยก็คิดว่าไม่ไกลค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันหยุดพอดีเลยะค่ะท่านคะ วันหยุดยาวเดี๋ยวนี้คนไทยวันหยุดยาวมไม่ค่อยรู้จักแล้วนะคะรู้จักแต่ลองวีคเอนค่ะคือพูดซะจนเป็นภาษาไทยไปแล้วนะ่ะก็อาจจะเดินทางกันไปได้ส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่ฉันฝากเบอร์โทรศัพท์ทั้งสองวัดไว้กับหมายเลขของบัญชีธนาคารที่ทางเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุครอบครัวขานี้แล้วก็มาถามกันได้นะคะที่0 2 2 6์สองสวันนี้ท่านเพริบูลจะพูดเรื่องพุทธประวัติจากพระโอร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็ยังอยู่ใน ของอเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์พิเศษบางเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์ <Okay. S 2> มีคือเหตุการณ์ที่แบบน่าสนใจพิเศษพิเศษอย่างเงี้ย ม, มีมีหลายอย่างอยู่พวกเรื่องการกล่าวตูนี่จบไปแล้ว <Okay. S 2> นะก็คื อ, อยังมีครั้งหนึ่งที่ท่านพระพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่กับท่านพระหมหาโมคคลานะแล้วก็มีเทวดาที่เป็นพระอินเนี่ยนะคือท้าวสกัดเทวราชเนี่ย มาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามคําถามคุยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ท่านพระโมคคานาฝังแล้วก็พูดถึงเรื่องของทําไมคนไม่ไปนิพพานอะไรต่างๆพระพเจ้าก็อธิบายธรรมะส่วนนี้ไปซึ่งก็เป็นเหตุให้เราทราบว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่คุยกับเทวดาอยู่นะเป็นสื่อสารกับพวกเทวดาอินพร้มพวกนี้ได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งตรงนี้ แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องความที่เป็นไปได้ยากที่เกี่ยวกับพระองค์นะก่อนที่จะมีพระรุจ้ามาเกิดได้นี่พระรจ่าเคยเปรียบเทียบกับเหมือนกับพื้นแผ่นดินนี้น้ำท่วมทั้งหมดเลยนะที่เป็นดิน <Okay. S 1> หนึ่งส่วนเป็นน้ำสี่ส่วนเนี่ยน้ำท่วมเป็นอันเดียวหมดแล้วก็มีแอกคนยนต์แอกไม้ไผ่ลงไปอันหนึ่งในแอกนี้ก็มีรูอยู่รูหนึ่งแล้วก็มีลมเหนือใต้ออกตกพัดกันไปในน้ำทะเลทะเลมหาสมุทรนี้ก็มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดด้วย หนะึ่ร้อยปีถึงจะโผล่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะความยากตรงเนี้ยที่เต่าเนี่ยจะเอาหัวโผล่ขึ้นมาซุบเข้าไปในรูที่มีอยู่รูเดียวพอดีเนี่ยนะมันยากมากเต่าตาบอดด้วยนะค่ะซึ่งการที่จะเกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นสักครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหยากมากขณะนี้ยากจริงๆแล้วก็พอเกิดมีขึ้นมาเนี่ยการปรากฏมีของพระองค์เนี่ยนะจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เนี่ยเออ กฎแห่งธรรมชาติเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยก็ยังเป็นกฎที่อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วะเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วนะตั้งอยู่อย่างคงตัวนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็คือว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทุกอย่าง เ, าเป็นทุกทุกอย่างเป็นอนัตตานะกฎตรงนี้เป็นธรรมธาติตรงนี้คือลักษณะของตรายักษเนี่ยมีอยู่ตลอดแล้วไม่ว่าพระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามนะซึ่งตรงนี้ธรรมามาว่าเป็นอสังขตธรรมนะ อสังกัตตามคือเมื่อปรากฏ อ, อยู่ค<ะ>คือธรรมที่ไม่ถูกการปรุงแต่งเ<ะ>มือม่อเมื่อไม่มีปรากฏว่ามีการเกิดมไ ม, ม่ปรากฏว่ามีการดับเเมือ<ะ>่อตั้งอยู่เนี่ยไม่มีภาวะอื่นๆปรากฏคือตัวกฎของไตรลักษณ์คือทุกอย่างไม่เที่ยงคะ่ะท่านค ะ, ะดิฉันขอถามแทรกกลางตรงนี้สักนิดหนึ่งคือเมื่อไม่กี่วันนี้เพิ่องอ่านข่าวเกี่ยวกับการสู้วัวกระทิง ที่สเปนซึ่งก็ถือว่าเราได้ยินมานานแล้วนะคะจนคิดว่ามันเป็นศิลปะการต่อสู้ที่คู่กับชาติเขาเลยมีข่าวออกมาว่าก็มีการเรียกร้องของคนจำนวนมากให้ยกเลิกเสียแล้วก็เสียงส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วย เขาก็จึงออกข่าวว่าในเป็น huh. นัดสุดท้ายแล้วของการสู้วัวกระทิงอืมนี่ก็เข้าใจว่านี่ก็เป็นอนิจจังถ้าจะว่าไปนะคะมันก็เกิดมาเป็นหกร้อยปีเพราว่ามีมาหกร้อยปีก็ยังหมดไปได้มันเรื่องเดียวกับเป็นอาสังคตาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะใช่ใช่ความไม่เที่ยงนี่แหละเป็นอาสังคตธรรมถ้าดูตามพุทวจนะอย่างเนี้นะท่านบอกว่าไม่มีสักอย่างเลยล่ะคะบนโลกใบนี้บางอย่างเนี่ยโอ้โหมัน เป็นกำแพงหินผาเลย ม, มันก็สลายไปได้ถ้าคนทราบข้อมูลก็จะทราบอยู่ก็จะมีคนที่มีความเห็นอย่างนี้อย่างพรมอย่างเงี้ยพรมพักกพาพรมพรมักกะพักกะพรมนะที่มีความเห็นว่าตัวเองเย่างเป็นพุที่ยังก็มีต่าพระเจ้าก็ได้ได้ไปปราบแก้ความเห็นตรงนี้ไปแล้วน ะ, ะสรุปแล้วก็คือเป็นเป็นอนิจจังที่ท่านว่าเป็นอสาาาาังขารธรรมใช่ใช่ใช่ ส่วนมาถึงอริยสัตว์จากพระโอษฐ์เรายังพูดถึงความเป็นอริยบุคลคลนะที่เอาขั้นต่ำๆเบสิเบสิคเลยพื้นฐานคือโสดาบันนะที่บอกว่าโสดาบันนี่มีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมแล้วก็มีสีลห้าอันเขาเรียกว่าไม่ด่างไม่ทะลุไม่ขาดไม่พร้อยอย่างเงี้ยนะ เป็นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาแล้วก็ไม่ถูกทิฐิรูปคลัมแต่เป็นไปเพื่อสมาธินะทีนี้เราต้องมาดูบทพยัญชนะให้ครบเลยบางคนฟังรายการนี้อยู่ที่เอ้ฉันก็เป็นนะศีลห้าฉันก็โอเคนะเอ้ฉันก็นับถือพระพุทธเจ้านะทุกเช้านี่ก็เอาอาหารไปถวายพระพุทธอ่าแล้วก็ใส่บาต ท, ทุกวันถึงเช้ามาจุดทูบจุดเทียนกราบพระพุพะทธธรรมประสงค์วันละสามครั้งแล้วก็หลายๆรอบด้ว ย, ยน่าจะเป็นโสดาบันแฮ ก็ไม่แน่ <laughs> ถ้าเป็ น, นุญดีฉันถามตรงนี้เลยคือเหมือนก็นว่าอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็มีศีลห้ามั่นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะก็ศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อืมเอาข้าวเอาน้ําไปให้อย่างที่ท่านบอกถวายทุกเช้าเลยจุดธูปด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกทูปเป็นอันตรายอย่างไรก็ตามทีและดิฉันก็แถมอีกเหมือนกัน ทำดีอย่างนี้ท่านคงให้หวยลูกบ้างก็จ้องดูทูบทุกวันวันนี้ทูบจะเลี้ยวเป็นเลขอะไรโซดาบันไหมคะอย่างนี้ไม่เป็นแน่นอนเพราะว่าโซดาบัเนี่ยก็จะไม่หวังพึ่งเพื่ออะไรคือเรื่องถูกหวยเนี่ยนะมันก็แล้วแต่คนก็จะพุทธเจ้าบอกให้ทำยังไงพรพุทธเจ้าบอกให้ทำมีความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อในการหาเลี้ยงชีพ เขาก็จะไม่เล่นกนนารพนันพุทธเจ้าบอกห้ามเล่นการพนั น, นใช่ไหมไม่เล่นพุทธเจ้าบอกให้สามัคคีกันใช่ไหมฉันก็จะสามัคคีกันพุทธเจ้าบอกให้ทําส ม, มาอาวาจาใช่ไหมเราก็จะไม่พูดด่าใครไม่ว่าใครไม่พูดส่อเสียดน ะ, ะคนที่เป็นอาญาบุคคลเนี่ยพุทธเจ้าบอกซ้ายซ้ายเปะพุทธเจ้าบอกขวาขวาเปะ๊ะไม่มีการแบบขวาแล้วขออีก้5องศาไม่มีนะ<ม>ย้งๆนิดนึงไม่มีอะไรคือไม่คือไม่อะไรคือใช่คือเอาจบ นะอย่างเช่นบอกว่ า, าเธ อ, อไม่เรื่องการจุดทูบอย่างเงี้ยพระเจ้าก็ไม่ได้เคยบอกให้จุดอย่างเี้เป็นต้นนะสมัยนั้นคือการบูชาด้วยเองห์หอมอ า, อ, าอาจจะถูถ่ายได้หรือว่าการเอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งอย่างเช่นเรื่องของศีลเนี่ยที่พระเจ้าบอกว่าเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตันหาไม่ถูกทิตรูปคลำนะแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยบางคนบอกฉันมีศีลห้าแล้ว โอแต่เธอยังไม่มีศีลนี่เธอนี่ก็ผิดนั่นก็ผิดนะมีความกังวลอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคนนั้นว่าไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะว่าเขาไม่มีศีลมีศีลไม่เสมอฉันอันนี้มีทิฏฐิอยู่นะยังถูกรูปคําด้วยตันหาอยู่นะแล้วก็ศีลแบบนี้ไม่เป็นไปเพื่อสมาธิด้วยหรือว่าความตั้งมั่นอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเอาอย่า ง, างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมเนี่ยพระธรรมบอกว่าอะไรนะพระธรรมบอกว่าให้พึ่งตน อ่านี่ยังไปพึ่งต้นไม้นะยังไปพึ่งสิ่งอื่นให้พึ่งทำนะยังไปพึ่งนู่นนี่อะไรที่ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะอ่หรือมีความกังวลมีความพึ่งในการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งอื่นอื่นะมีคนให้พระเครื่องมาก็โอ้ยนี่สงสัยนี่ฉันต้องเอาพระเครื่องนี้ไปด้วยจะได้ภาวนาดีพึ่งธรรมะนะพึ่งธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะก็ยังไม่ถือว่าร้อยเอร์เซเนาะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องพึ่ง พระพุทธพระธรรระสงค์ให้ร้อยเปอร์เซ็นตะถ้าเกินนั้นไปเอาอย่างน้นด้วยเอาอย่างนี้ด้ว ย, ย ง, งั้นต้องถามอย่างนี้บอกว่าพระเชาบอกว่าอกายวาจาใจเป็นสุจริตดีใช่ไหมงั้นฉันขอแถมวาจาทุจริตหน่อยฉันข อ, ขอแถมกายทุจริตหน่อยเออทามันหกอย่างเลยแล้ะกันทั้งกายสุจริตทั้งวาจาทุจริตทาคู่กันไปทั้งหกอย่างมันจะดีไหมล่ะใช่ไหมมันก็ไม่ดีอ่ะมันก็คือไม่ร้อยเปอร์เซตคือที่ผ่านไปไม่ได้เสียหายแต่ว่าให้รู้ว่ามันยังไม่ใช่ถูกต้องคะ่ะ ปรับเล็กนิดนึงจะได้ถึงพระโสดาบันเร็วเข้าก็คืออยู่ในทางอยู่ในทางถ้าอยู่อยู่ในทางตรงๆเนี่ยเราจะเข้าใกล้อาภปภัประสงค์ได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นไม่มีทางอ้อมนะบางคนต้องเรียนมนนะมีคาถาก่อนภาวนานี่ต้องมีคาถาคาถานี้ทำให้ภาวนาดีโอ้ยก็พึ่งตนพึ่งทํานั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะค่ะ หรือว่ามีความเชื่ออย่างเช่นว่าให้ทานอย่างเงี้ยต้องรอให้พระให้พรถึงเราถึงจะได้รับพรอะไมาเคยครั้งนึงไปบินตบาดเ อ, อเราก็เดินไปบินตบาดเราก็รับเสร็จแล้วก็เดินไปใช่ไหมผู้ที่ใส่บาตรเนี่ยอุบา <c oughs> สิกาเขาก็ทวงอ้าวท่านยังไม่ให้พรเลยเร <c oughs> าก็ต้องไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องให้เข้าใจว่าพรเออบุญเนี่ยมันได้ตั้งแต่ตอนที่เราให้ละคุณยัง่เข้าใจไหมถูกในชันว่าเผล่นะคะ บางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้นี่พระ ป, ปลอมลเมื่อก่อนเนี่ยออไม่เห็นให้พรเล ย, เยลักษณะนี้เป็นต้นอีกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องเข้าใจให้ถูกลักษณะของธรรมะอาคุณยังไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเข้าใจไม่ถูกงั้นก็ต้องเข้าใจให้ถูกซะอย่างนี้เป็นต้นนะที่ถูกแล้วอืก็คือว่าบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ตอนที่เราก่อนทําแล้วด้วยก่อนทําแล้วเราคิดถึงสิ่งที่เรากาลังจะทํานั่นบุญเกิดแล้วระหว่างทําก็เกิดแล้วหลังทําก็ยังเกิดอยู่สําเร็จแค่คิดเท่านั้นเอง สำเร็จด้วยการคิดด้วยการกระทำาการกระทาด้วยความคิดไง น, นั่นเป็นเขาเรียกว่าวจิมโนโกรรมคือคิดอย่างเดียวก็ก็ได้ในส่วนนั้นไปเท่านั้นใช่ๆชค่ะเนาะการกระทำก็จะมีสามสามระปับสามระบ บ, ะ บ, บการวาจาใจค่ะอืมอแล้วก็เรื่องของตรงนี้ก็จะมีแค่นี้เมื่อวานเรายังพูดถึงเรื่องของกรรมนิดหนึ่งค่ ะ, ะที่ว่า ไอ้อย่างเราเจตนาแต่เช่นอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเจตนาใช่ไหมเจตนาเนี่ยบางคนบอกว่าฉันทำไปโดยไม่ไีเจตนานะไม่น่าจะได้รับผลของกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอย่างสมมติอาตมามีบางคนบอกว่าขับรถชนอย่างเงี้ยขับรถชนสุนัขเป็นต้นนะขับรถชนสุนัขแล้วก็ไม่ได้เจตนาจะชนก็นะแต่ว่าชนเขาไปแล้วอ่ะอย่างนี้จะเป็นบาปไหมอย่างนี้เป็นต้น จะได้รับผลของกรรมนี้ไหมยอย่างนี้นะซึ่งถ้าเจตนาในการที่จะเบียดเบียนของเราไม่มีก็คือไม่เป็นเจตนาล่ะไม่เป็นกรรมล่ะแต่ว่าการกระทําเกิดขึ้นไหมสุนัขสุนัขถูกชนไหมถูกนะสุนัขตัวนั้นเขาอาจจะมาผูกโกรธกับเราได้เพราะว่าการที่เขาถูกชนเนี่ยเป็นผัสสะของเขาทีนี้พอเขาเกิดผัสสะอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองอยังไงล่ะเขาอาจจะมองหน้าเราก่อนที่เขาจะตายไปหรือว่าตอนที่เขาเดินหนีไปเจ็บอยู่เนี่ยเขามามองหน้าเรา ปุ๊บเขาจะผูกโกรธเราอันนี้เป็นไปได้เพราะเขามีผัสสะเขายังมีกิเลสอยู่อ่าแล้วสรุปแล้วคือสุดท้ายคื อ, อยังไงนะคะสรุปแล้ก็คือว่ากรณีอย่างนี้กรรมเนี่ยมันต้อง ใ, ให้ผลนะแต่ก ร, รณีที่เราไม่เจตนาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมของบุคคล น, นั้นที่เขาจะมาผูกโกรธเราเป็นผัสสะของเขาในยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยทําแต่สิ่งดีดๆใช่ไหมเกิดตอนที่เป็นอ่าเป็นโพธิสัตว์อยู่ชาติหนึ่งเทวทัตมา ผูกโกรธนะพระเจ้าก็ทําแต่สิ่งดีๆนะไม่ได้คิดจะเบียดเบียนใครเลยนะหวังแต่สมาร์สมบูริยานนะเทวทัวตมาผูกโกรธนะ อ, อันนี้สิ่งที่พระเจ้าทำไปเนี่ยเป็นภรรษาที่เกิดขึ้นกับเทวทัวตใช่ไหมเทวทัวตมาผูกโกรธอันนี้เป็นกรรมของเทวทัวตนะเทวทัวตมาสร้างภรรษาให้ใหม่ให้พระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะต้องสร้างกรรมดีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็นภรรษาของพระพพุุททเเเเจจ้้้าาาาาีี่่่่่ป็็นนนนนนนิินััตนนะตตวว์อยยูคะะหไไไดดขรมมณ๋ มันยังจะมีผัสสะมาเกิดกั บ, กบเราได้นี่แหละเป็นโทษของสังสารวัตค่ะนี่เป็นโทษของสังสารวัตที่พระเจ้าจึงบอกว่าโอ้ยพบนี่แม้ชื่วลันีมือเดียวก็น่ารังเกียจค่ะท่านครแล้วที่เราเคยกลับเรียนฐานท่านค้างไวค้ค่ะว่าที่ถูกกล่าวหากันนั้นเกิดจากกรรมใดมนุษย์เราไม่ได้ทำผิดก็ถูกกล่าวหาเนี่ยเกิดแต่กรรมใด่ะคะก็คืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไง ว่าเราไม่ได้มีเจตนาไปเบียดเบียนใครนะแต่เรามันไปสร้างภาษะกับคนอื่นนะคนอื่นก็มาสร้างภาษากับเรากลับอย่างนี้นี่คือสังสารวัฏนี่คือโทษของสังสารวัฏแต่าการที่เราถูกเบียดเบียนกลับเนี่ยมันไม่แน่มันอาจจะเป็นกรรมที่เราเคยทําไว้หรืออาจจะเป็นกรรมใหม่ที่บุคคล น, นั้นเขาสร้างอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรรมใหม่ที่บุคคล น, นั้นเขาสร้างแล้วทหไมเราจะต้องมารับอันนี้คือเป็นโทษของสังสารวัฏออย่างพระเจ้าเนี่ยไม่เคยสร้างกรรมอะไรกับเทวทัตแต่เทวทัตมันผูกโกรธ อันนี้มันก็เป็นกรรมกันขึ้นมาละผูกกันไปผูกกันมาหลายพบหลายชาติมันจะแก้กันยังไงละ่ะก็คือละกรรมซะดับซึ่งกรรมซะอ๋อ<ม>ซึ่งนี่เป็นโทษของสารสาบในรามาท้องพูดอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้มีเจตนานะเราไม่ได้มีเจตนานะแต่เขาไปเป็นผัสสะของเขาค่อไม่ได้มีเจตนาในการเบียดเบียนนะแต่มันเป็นผัสะ ข, ของเขาค่ะเพรา ะ, ะว่ามันไม่ได มันไม่ได้เกิดแต่ฝ่ายเดียวมันมีอีกสายหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใชเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยสิ่งนี้แหละสร้างบุญสร้างกุศล<ะ>นะกรรมของเขาก็อจามาเป็นกรรมของเราสมมุติเราไม่ได้เคยมีกรรมอะไรกับเขาใช่ไหมเขามาด่าเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรรมของเขาแล้วนะเป็นเจตนาเบียดเบียนทางวาจาของเขาใช่ไหมป<ะ>ุ๊บมันมากระทบเราเนี่ยกรรมของเขาจะมาเป็นของเราก็เมื่อเราด่ากลับอพราะ น, นั้นเราใช้อาศัยโอยกาสเนี้ยไม่ทําบาปก็แล้วกั น, น นะไม่สร้างกรรมไม่ดีแต่สร้างกรรมดีคือสร้างบุญเราก็อุเบกขาซะหรือว่าก็ค่อยๆ ค, คุยกันไปนะสัมสัมมาวาจาอันนี้จะเป็นกรรมดีกับเราเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมรู้สึกเวลาจะหมดแล้วมั้งคะจะหมดแล้วละ่ะ <laughs> นะคะ <laughs> ก็คงจะต้องบอกว่าน่าเสียดายที่ เวลาดูเหมือนมากแต่เอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้มากนักหนาสําหรับรายการสัมม น, น, นาสนทนายัางไงก็นำมาส ก, การขอ บ, บคุณพระอาจารย์เพยบุญไม่ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนท่านทุกฟังข้างหลายติดตามรับฟังรายการของเราได้อีกค่ะท่านที่ประสงค์อยากจะถามคามถามมาที่022690006เมื่อ น, นี้ท่านขอหนังสือพุทธวจนะมาด้วยก็ได้นะคะพระอาจารย์ครึกฤทิ์โสติพโลท่านมอบมาให้โดยตลอดค่ะวันนี้เราคงลากันไปแต่เพียงเท่านี้ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะ ในวันพรุ่งนี้พุทธ ว, ส, วสดีค่ะ